วังจึงนำเงินนั่นไปองกับภายูสุตตะแลสุสังและพันกันังด้วยที่ยอมได้ปัญญาปัญญาเกิดจากกันที่วาสุตตะไมะยดปัญญา พระเจ้าเปิดจากการบเที่ยวย่อยในสิงที่ยินได้ฟังมาเรียกว่าจินตมยนยายะพัญญาพระเจ้าเกิดจากการภาวนาคือขยียรูปให้สำงึกในการใช้ชีวิตร่างกายว่าจาใจ้าของรณกผู้ที่ยิงเสียจะมุ่งไปกินิี่ได้รถ ใจหอมผัสให้มีสติการอยู่ความจืนการเคลื่อนไ้วจิตนาให้มีสติเรียกว่าภาวนาพยาพันธาต้องเกิดเป็นพันธยาเชื่อญาชนยาให้ครองงู้ความหลงความฟความรับวิจิตรฝุ่นหลว ก็มันมีสติใช่ตอนศึกสอใช่ความคิดเราจะโง่ได้โง่ถ้าหนูไม่มีไม่จูด้กบับม่าก็โ ง, ง่ได้โง่ดีกินเชียร์พม่าก็โง่ได้โจมก็ได้ จต้องพุทกรมสนตสนเก็บเอาในตัวนอกตัวเอามาเป็นการศึกษาอาเป็นจิตกับพยัญชนาครบเที่เอาจากตัวเรานี่ยว่าเราดูสิตัวเราเนี่ย่มมันมี ป, นประโยชน์ จริงเรามีพคสอนเป็นแบบฉบับสิที่พกทุกข์าตัดไว้ดีว่าคิดก็เป็นผิดว่าถูกก็เป็นถูกุกข์กัทซเกิดอกับเรานีองมาเป็นเคร่อที่ทำ e r ชีว i ต h อ่ คืให้คือดังความชอบต้นจิตนี่ตั้งไม่ชอบก่อจิตพาศหลายอย่างาตั้งไว้ชอบข้อตัวกล้องอหลายอย่างพักมีจิตมีกายมีใจหรือเราจะลูกทำจะนามทำมทำดีมาจนเชื่อได้ลูกนี่นามอี ถ้าเราไม่ได้จัดใช้มันในทางสมาธก็พาให้หยุดทิฐิพลาดสูงเสียประโยชน์ที่จะได้ จ, ดจากพู้กำลังในพวกเธอพวกเธเหมือนจะลูกต้อที่เธอเท่าภาคถ้าได้ไม่ใช่อเอกไมาแบกไว้ทีไมาดูจะไม้ไเสียหาย ใน้เนก็เชื่องหงใช้เสริก็เป็นประโยชน์ใช้เสริญก็เป็นทุกข์เป็นทษกข์ใช้เสริญก็เป็นประโยชน์ถึงมักมาาทาุกคนสมายสายตารวมถึงทนจากที่เสรินถูกจากในโลกนี้ยิ่งก็เรามีวิชกากรรมฐา ใ้เป็นนักกรรมฐานทำอะไรก็เป็นกรรมฐานที่ตั้งของการที่การหายลป่ขุแจก็เป็นกรรมฐานใส่ใจลงไปเอาลูกขุนแจฉส่กระเปก็เป็นกรรมฐานใส่ใจลงไปอาจะตื่นหรลับเป็นกรรมฐานทั้งหมดจะให้คนอืนมาคองซื้อเรา ความชัดเจแน่นยามอยู่เสม อ, อควพูดควาคิดความกระทำความสุขควาิปีนที่จะลักฉุดอาหารก็เป็นสูตรกรรมาธาหนู ก, ก็เป็นสูตรธรรมะทีมก็เป็นสูตรธรรมะอาฆาตก็เป็นสูตรกรรมะปวดก็จะเรียนนหลาสต์เยดีดูแลสุขหมายถ้าเป็นระเบียบจะร้อยเป็นระเบียบจะร้อย เราถว่าถึงกรรมฐานทั้งหมดก็บ้านกรรมฐานแม่บ้านกรรมฐานลูกสาวลูกชายเปนนักกรมก ร, กกรมฐานลกูกหลานเป็นกรรมฐานเพราะว่ากรรมฐานมันที่ผิดชี้ถูกก็ให้ดู้จักผิดให้รู้จักถูกก็ไม่มีประโยชน์อะไรชีวิตของเรานี่หมายถึงนักกรรมฐานให้เต็มที่ ดูแลตัวเราให้พุ้มดูแลกายใจให้พุ้มกรรมฐานเป็นสิ่งที่ดูแลให้รอดปอดภัยใช้สิ่งใช้ของก็เป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเป็นนักกรรมฐานใช้สายใช้ใจก็เป็นระเบียบเรียบรอดสิ่งอื่นก็เป็นระเบียบเรียบรอดเป็นประโยชน์นักกรรมฐานมีแตประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํา สิ่งไหนที่ทำลงไปเป็นประโยชน์ตั้งหน้าชหมาชนักกรรมฐาน ก, ก, ก็คูกจะทุกข์จะทษกข์สเชียประโยชน์เพราะสังขารร่างกายของเรานี่ ม, มันไม่ยกอยู่แล้วมันเป็นทุกข์มันสูญยากให้ตายรงโทษให้เจรลงโทษตัวเองคิดแต่กัดตอตัวเองให้เจ็บ ป, ปวดคิดดีไม่เป็นบางคนม่ถูกหั นี่คือชีวิตเราชีวิตที่บอกพอใจไม่พอใจคนนั่นดีคนนี่ไม่ดีเอาชอบคนนั่นเราไม่ชอบคนนี้จะทรวกตนพัวไหมดเลเอาทัวกตนไปหจบไปกหนดคนนั่นเฉนี่เจาดีกวเขาขาดีกว่าเราเราสมออเขาเสมออเรา ที่แต่ตัวต้นก็ตัวตนแบบมีแต่มีแต่เครืงช้นารุณอาจสวรรค์านม่ได้ปิตัวคิดตัวเป็นตัวเ็นตนขวางการมรรคผลนิพพานนักวิทยาเขลูกจับโตตัวเองให้ดีให้มันพุ่งใหมันแล้วฟที่นั่นเดีให้มนแล้วไฟ ชิงให้ดีให้มันเสขึ้นมาสำหรับมันแล้วงอกตาปลูกก่องยแล้วมันก็โกตวหวันโตแขืนขึ้นมาปัดํานาเสร็จแล้วข้าวนาก็งาม ข, ข, ขึ้นมาเปิดโตกาะนทวัตถุชิ้นใดมันแล้วก็ใช้ได้สร้างศลาแล้วก็ใช้ได้สร้างกระดีแล้วก็ใช้ได้สร้างนาสร้างเดือนแล้วก็ใช้ได้ ชอบิ่ที่หวังชุดโสมให้ดีขึ้นมาก็อากเสียได้ถ้าตายแล้วทำแล้วทาได้แล้วสิ่งที่มันเกิดกับกายใยถ้าทําได้แล้วมันเกิดน่าเกิดผลถ้าทำไม่ได้มันก็เป็นปัญหาลดำอีดำ ไ, ไหลอยู่หลงแล้วหลงดีมันยังไม่แล้วบอกมันได้แล้วทา ไ, ไม่ได้แล้ว ทุกดาทุกปีโคดนาโคดอมีเจแล้วมีใจอีกเียนใจแล้วเียใจอีกพอเจแล้วพอใจอีกผเียเฉนี่เลีววัตัไม่แล้วรพอไหนทแล้วแล้วก็เลยโผขาแล้วก็บ้าได้ผลไดู้ได้กินมาเป็นเลือเป็นเนื้อเป็นช แต่ว่าขีงตึ้นภายนอกพระธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์ขีดที่มันภายในตัวเรานี่ยทำแล้วก็เป็นประโยชน์เอาเวลาไปทำหนึ่งมุมเท่าไหร่จะได้แค่ประโยชน์เท่านั้นน้อย่าไปทาอย่างอื่นตัวเฉพาะพวกเรามาอยู่ว่าตลอ ก็ยิ่งเป็นหน้าที่โดยตรงให้ทํารื่องนี้ให้ทำประโยชน์ตนประโยชน์ทั้นประยดโยชน์สู่โลกประโยชน์แกอพระพุทธศาสนาเพื่อทําให้เกิดเป็นธรรมเป็นส่วนตัวเรืมองนี้ได้ใช้ ส, ส่วนตัวเพื่อ ท, าทํากรณีให้เป็นหน้กากรรมฐาให้สมบูรณ์ได้ ในใจระหว่างระหว่างในตอนเราเปิดเื่อนก็นจะทำให้เพื่อนของเราเป็นสาระปัญหาแต่จำต้องให้ชีวิตเป็นนักกรรมฐานเต็มที่เอาเป็นประโยชน์แต่ให้ใอุนใจด้วยการถิดว่าเป็นครอบครัวเดียวกันติดญาติการตวธรรมัธยกา น, กน ชาติาด้วยการทาความดีด้วยการพูดดีคิดดีดูแลสิ่งต่างๆใจกานไม่ใที่ไหนเพื่อนเกียดกตายด้วยกนถือตุกขันใจกันชาติานกับมฐานมองแต่ความดีมองแต่สิด เหมือนเสือก็เป็นมิตรกับเสือเติดงูก็เป็นมิตรกับงูเต็ดช้าก็เป็นมิตรกับช่าด้วยความรู้สึกลึกๆเดือดอะไรก็เป็นมิตรกับทุกอย่างเมื่อเป็นมิตรแล้วก็ต้องช่วยไม่ทำลายกันในความรู้สึกเดี่ยววันป่าจะกะโตสมัยสิจิงไปกว เห็นเสืเอเจอเือก็ถือว่าเป็นมีดกันทำลายกันล้าก็ไม่ทำลายเสือก็ไม่ทำลายกันงูก็ไม่ทำลายกันอะไรก็ไม่ทำลายกันแมน้แต่ต้นไม้ต้นใด ก, ก็ถือเป็นลูกเป็นหลาออนอดตกมาถือว่เนนาวเป็นเพื่อนน้องโอ๊ะครับถือว่าเป็นเพื่อน ใหญ่กว่าเราเชื่อวสตุาตูงปู่ย่าตายาอาขากระหมอมนิชาทุท๊กาจะเป็นไข้อยู่ในป่าในดงคันตอนร้อนหนาวหนาวคันเนื่อกันตัวเพราะถือว่า เ, เป็นเพื่อน ก, กันกับสิยาร่องกับวากาศขิ้มตัวลงป่าไม่สะดุ้งไม่เิงลัวไม่กงังงนเห็นคนเดินข้าลรถ ถ้าว่าล่มตายเขาใช้มาเดียแล้วก็ถือว่เกับรมชาติมองถึงอะไรดีลงมาหนาอนหนาวนวาคุ้นเคยกับคามร้อนกัหาใจลงไปไม่กังวลเว่านักธรรมชาติมีแดงมีเตือนเรามาเป็นมิตเชื่องกันก็ต้องช่วยกัน เพื่อกระด้คุ that way, that th course, ้งครองค่ะคุ้งครองสัตว์คุ้งคลองสัตว์ป่าคุ้งครองสัตว์น้ำคุ้งครองป่าไม้คุ้งคลองดินฟ้าอากาศมดจำมดแตงมิตรมิตรแค่ทั้งหมดเลนเรื่องว่าธาตุเปเนยาด้านธรรมฐานสกัดดาเช่นหวานก็มีหลวงพ่อกระเทียน เราอยู่ด้วยกันมาสมัยก่นแต่ท่านหนีปรยู่์วนจนกลับมามาป่วยเห็นกันนแต่ว่าม่เคยอยู่ด้วยกันเห็นท่านกระเถิดิชกั น, นต้อช่วยกันแต่พอมาเราก็ตายเราก็เสียชอยางพอใจทำพร้อมร่ราให้เรียบร้อยนีโดยช่วย ถึงที่สุดเลยหมดชีวิตไปแล้วถ้าทตามค ว, วางส า, ามารถตนเองเป็นสิทธิีิไม่หลยเกียงเพราะเป็นมองกันเป็นเพื่อนกันตารละยานธรรมอริายาณมิตร์ยตถานธรรมไม่มีใครที่ไหนที่ไม่ชี้ยะเราจนเขียนออกมาในความนึ้ถึงว่าที่นี่มีถึงญาต ไม่มคเคยเปิดมนะ้ามิตรญาติที่เพิ่งได้พบกันพบกันแต่รู้สึกว่าเป็นญาติมาก่อนแล้วไม่ช่ยเรียกว่าคนแปลกหนะ้าความรู้สึกของเราถ้าเป็นญาติทางทรรทีนี่ไม่เคยเกิดหนะ้ามิตรญาติที่เพิ่งได้พบกันจากหน่อยเฉยเล็กจริ๋ว มีอะไรก็แดต่างกันคิดจะช่วยเหลือการสุขเพื่อการทุกข์เพการแม้แต่พเจ้าก็ยังตัดเผู้ใดพยาบาลทุกสุขให้ผู้ท่านเป็นพยาบาลเราดูแลเราผู้ใดดูแลที่สุขอาภัตที่สุข่ม้่วยช่วยเหลือเกรีางสบการ์ที่ว่าช่วยเหลือเราถา วัยใจ้เป็นเช่นนั้นม่เป็นทียรักต ว, วิญญาณตงทํามตัวใหญ่นั้นสร้างความวิญญาณทางธรไมให้เกิดขึ้นกับลูกคิดก็จะเป็นมิตรภาพปลาเปรียวแต่เป็นล่าหน้าของสายศาสนาพระจียยนเอาใจเขาเิดขึ้นว่าขอความผลปฏิวัติตามธรรม ป่ิบัติธามมที่เจ้าสอนเนี่ยเพื่อจะแด้เกิดพระสีอาดใส่ใจขึ้นมาในทักษของว่าเจ้าห้กุสัโองที่หนโกโนาคนอที่สองกับฉั่งโงงทสาโกนาคนอองที่ ส, อโโสอี อ, ส อ, อ, ส อ, อลัมเดชโยองที่หใช่ี กุกุเนโตโกนาค o นกัจโชโคตโมอายเม็ตโยคิดวกุกุเนโตโกนาคนกัจโชโคตโมอายุห้าปีคือทำนาเทนั้นที่เราจะลู่เจ็ดตัวที่ะมาลู่เจ็ตัวเป็นญาติทางธรรมก็ทั้งหมดสามสธรรมทาติสแก่อนนั่นแดนรักเทียบที่ักัคที่ชา ยนกว่าพอใจไม่พอใจยัพอใจเขาไม่พอใจยังแบ่บางชีวิของสัรพชีวิตแต่ตัวเราก็คุ้ตัวเราม้าก็ยังพอใจนะพอใจสับพี่ัน้องบางครองกับน้กันนา จนถึงเสื่มค่าแต่แก้กม็มีคนไม่กล้คึกคับ้างใกล้กันแม่ตายไม่ดูแลแม่เลยมือหนีไปราบเงินเลยว่าไม่ได้ชับสมบัติแต่ก็ไหนที่ได้จับสมบัติรู้ออกความคิดแบบนั้น มีในโลกในคนแบบเดิมนี้เอาอันหนึ่งมากำหนดชีวิตเราเอาการได้เอาการเสียมากําหนดเพื่อให้เกิดความแต่แค้มีเหตุมาเลยแม่ตายบ้าง ก, ก็เราต้องไปดูเลยลูกเขาทำอะไรไม่ได้เลยไม่มีในโล ก, น, กนีงว่าขนาดนั้นชีวิตจะตั้งไว้สุดจะตั้งไว้สุดไม่เกิด น, นักกรรมฐานคิดจริง บอกนะไม่เคยมีตาควาดีในหัวใจเลยไมทแต่ตาเลนชีวิตจริงๆความชั่วคิดไม่เป็นคิดดีไม่เป็นทำดีไม่เป็นผููดีไเป็นแม้แต่ผูดคนเกิดเก้าชั่วไหมดเลยไม่เรียนเราเอา่อเพื่อวัตถุมาเป็นจุดจุดตกไม่มีคุ ไม่มีบุญคุณเอาเดิงๆดืมากำหนดบุญคุณศูนย์หน่อยไปเลยมองกันอย่างนมันสำคัญคนในโลกนี้ที่ ว, พว่พ่อแม่ผัวอาจารย์เป็นคนที่สำคัญในโลกเป็นมิตรอยา่าคืดโน้กให้ทำดีต่อ ก, กาันที่อยู่ใกล้กันคนไหนที่ที่สำคัญกว่า ค น, คนใกล้ชิดเราสำคัญกว่าคนอื่นที่อยู่ใกลอะไรที่อยู่ใกล้ชิดเราความเจ็คนดีแทรกเป็นคคอาการาว่าหน้าจะไม่เห็นกัถ้าไ่เห็นผลเดี๋บวกพลากัได้เมื่อถนั่ ง, ง, าางาจากไปก็เฉลียวฉลาวที่อยู่ด้วยกันช้ำคนดีกันไม่เป็นและก็คนระจบมาจตัวเอง ไม่มีความดีที่จะมองเห็นในชีวิตของตนเลยอกท่าที่เราจนเ่อมเตริญไปบาปต้องก็ตามทำไปตายไปก็เป็นทุกข์โยมลงสุดระลุถ้าเราทำดีเสร็จแล้วเราก็จะตายเีาก็เมื่อมา มันลอยความดีแล้วเมื่อใดทำบาปทำกรรมลายให้ใครทาให้ใครเลือดร้อนให้ใครเสียส่วนต้วไม่เีแก่กายและความดีเราก็ได้ทำบอกของดีของดงเสีอผู้เสอยคนให้ทาหมดทุกอย่างที่เป็นความดีทำแกตัวเองทำแกคนเดียวก็เำยกโลกได้ดูแลโลกแดนนี้โลกไปนี้ สุดส <LEY> ันสามารถวาคำที่้องามันก็จะมี่วหมกขุ่นเฉยจนงจุดจุดโตก็กลายเป็นข่วนชุกด้วยเสื้อผ้าหรือกิดความต่ตาอนที่มูมาถาเคยเหนเล่าไหมไม่เคยกินเคยดีไมไม่เคยชกินของดีไว้ไม่เคยกิน ยากคืนอน้องเคยเป็นอย่างนี้นไม่เคยมีไม่ตากดเข็มมันก็สอบได้อย่างสง่างามผอพิมพเก่อนแ้วกนชดใช้ชีวิตที่ไม่สิทธิแล้วก็ติมอากนั้นกยายามใช้ชีวิตได้แต่รูกความเม่อพร็วเรามือปวก นี่ลูกปีเนี่ยมาแล้วใหญ่โตมาแล้วเคยเป็นเด็กมาแล้วเคยเป็นหนุ่มเป็นามาแล้วเคยเป็นพ่อคนแม่คนมาแล้วจนที่เป็นนอกกับเนาแล้วยอนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ทั้งต้ทั้กหลานมาขอให้ทั้งโต้พิจนาทีนี้ทั้งต้เมียที่นี้จะเช่า การมาทำความดีรวเพื่โอโลจิตตัวผู้การเข้าู้จิตเหยียดแขนยอกลูก่จิตเอเรามาช่อไปก็มาลู่จิตมันต้องไีคนเคยใช้ชีวิตที่ติดเพื้อพระมาเลืเ่าานอนเข้ามาผมก็ยอมุดนะแล้วก็มาลู่จิตตัวเรียงมันหลงมากจะนู่มาก วิเศษทีดเล็กตั้งหามาก็จะรู้ว่ามันฉายมาให้เราเห็นเราก็กลับมารูส้สั่อียงน้อยเป็นตโดยกรรมฐานเยิะแยงเลยก็ตัวเรากับลวกตัวเราจับอะไร้นไปเป็นกรรมฐานขวดตาเป็นกรรมฐานล้าด้วเกรรมฐานยินน้มอาหาปกรรมฐานไม่มันชาดเฉีแน่นเดียนจะเห็นแต่รดแต่ชา ทุกวันที่มีแต่ปิดแต่ปัดเลือกอยู่เกรื่องกเขียนเครื่องใช้ไม่ใอยอากาศเป็นผ้าอากาศต้องกนักการมฐานจึงจะอยู่รอดใช้กรอถูกต้องชัดเจนแน่นย่อนดีๆชินโดยไม่ดีล้าสุดครัเด็กค า, กาักับชินเช่นไม่ดีอย่าไปอ่อนเลย เด็ดขาดก็เป็นชีวิเด็ดขาดก็ได้ชีวิตขาดแม่ไมไรไม่ดีก็ค้อเด็ดคาดสวนละมงคลแยกคนละมงคลเดิดขาดไม่สมน้มาเป็นความรู้เด็ดขาดเป็นความทุกข์มาเป็นความรู้ได้กันดีขวบพี่เล็กเอาความดีม่ใช่ทำได้กั น, นดีปฏิบัติได้ให้ผลได้ ไม่ต้องรอทันใจทำาว่าทานเป็นเป็นการกระทำใช้ ส, สิ่งที่มันทำใจสะสมไม่เหมือนทำมันเองหาเทอะอะไรมามา เ, เปลี่ยนเรีนรู้อาจจซื้อใจเดิตมตอนมีพลังมากระโดดใจบ้าไกลนิดแต่ตืในในใน่ในได้ในใน ชอปครับ แ, แต่ช่วงกลางหน้ า, นน า, านค้าเมี่ำครับร้านน้ำธรรมดาเหมือนองก์คดีมันเป็นโจรร้อยฆ่าคนนับเก้าร้อยเก้าจุดเก้าคนแต่ว่ามันก็มีความดีอย่นั้นเพราะถ้าพป็นเจ้าไม่ไดูจาก 5, 10, คนทีเก้าถือดาบแม้ตาบเจ้ า, จาวิ่ง องค์พระวานเรายศองค์พระทีาเป็นนักปิยิทธิ์เฉลิมศึกษาชาวชายศิษย์สถาป็นนักวิจัยมานด้ตัแต่เดินสตรเดินเจ้าว่าชาตชิจิตราสตรเรียนจบวิ่งเร็วยิงธนูฝันดีมา เจ้าเจ้าเจ้าผู้ที่าศาเลยเจงาที่เกิชาติจะต้องวิ่งเจงองุมาวิ่งนะยุดยุดเจ้ร้อหยุดดาวยุดะไวิ่งอยู่หยุดทำบาทรรมเธอยังไม่หยุดยังถือดอกแลคนเราล้อยุดแล้วล้อยุดแล้วเธอยังไม่หยุด Good, good. เออย้ยอเขาหยุดแล้วเธอยังไม่เขาเรียนโอ้โหเดยมาตัอยู่ย น, ยทนที่มีพลังกรรมาถานบ้างในใช่ขนาดนั้นโอ้อยืน อ, อะไรยู่ทำไมดิยู่ทำช่อโอ้ทุกตัวมันโอ้ย่าทำช่วอะไรไดูหรอดโอ้ไม่เคยเรียนกับพ่อเ่างนี้เนาะ ิดาเสียงใจโอ้ยฉันฝันนี่ไม่เคยได้ยินกับผู้ใจนี่เลยจะเป็นใครเนาหรือว่าเป็นสิธแท้ตาออกหัวลูกพระเจ้าสุดโตนะคะจะเป็นองค์นี่หรือ้าไม่เคยได้ยินกับผู้ใจนี่เลยเออได้มาทิ้งตาฟงโอมลองร่องให้เสือใจตามที่เลย ทิศล้มกันตือเรียกว่ากับโดดออกมานอกไม่มีใครฆาคนมาเก้าร้อยก้าอยกวาตาคนไม่เชีลยวชาญไม่ชีพชะ้ชีัดนมมืรูปเป็นหลานเรียงรูปเป็นหลานเอารูปค็นหลานมีแต่ความดีไม่เหมือนกันลยพิศไม่เท่าบางทีเราผิดพลาพประกอบชี้ชีเชีกลับมาแ กอดวงนอนกัดตาลุกตืนคิดกันก่นอนาลุกอะรที่มัเกิดขึ้นในใจเดินดีได้พระเจ้าบำเพ็ญตางจิตเชียนจิตอย่างล้นหลามสิงกาจอมการนี่ก็เหมือนปวดก่อทิพได้เคลื่อนไหวได้ยืนเดินนั่นอนแต่ใจไม่เผลอจริง ปล่อยมันมาแล้วมันจะทำา่ามันไม่มขีชาติี่มาและวมันเกิดจากก่อนคิดเป็นอาการเฉยๆสืบตำหนักแ็่ละกาศก็จะเชี่ยงลู่สุดตัวงไปมันจะ<ว>ลู่ลงไปแล้วลู่ตัวตอนหลังไงรู้สุดตัวมากจูกงลงไป้ามันอ่อนได้อันหนึ่งกขี่ก่อนพองก็มาถึงยืดตัวกัน ถ้ทงอบ้านเอวอยากนั่งหลังกดหลังอนหน้าอกไหล่หน้าต้นคอวางกายวางรัะกษาวางใจให้ดีเพื่อจะให้มีลังอยาอ่อนแรงค่อยๆค่อยๆน่ อ, อ, อ, อ, อ, อ, องๆอะไรจะทไม่ได้อะไรก็ทาไม่ได้ยากอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดี อย่างนี้ง่ายดีอันนี้ไม่ได้ร้องไห้ได้คนอ่อนชื่อว่าอ่อนจำนำมูกต้องชึ้ น, น, นเนสียทีเนี่ยจิตกำลังชึ้นเสียถอนจิตเิ็นอย่างโดยความวิชากรรมฐ า, านเป็นพลังทางจิตออกกำลังทางจิตปลอมด้วยจิตตัวจิตก็จะใต้าลังจป็นรู้จิตัวเท่าไรความ พอหลังแห่งความจิตก็จะหม่มากเป็นมากเพราะความรู้จิตวงาเป็นนามธรรมจาิตก็เป็นนามธรรมามันรู้อะไรได้วิญ ญ, ญาณธาตุความรู้อะไรได้ใช่ความรู้ที่มันเป็นกรรมฐานที่ด้านกายได้รู้สองนามธรรมาวมิญญาณธาตุธาตุปินธาตุน้่นงธาตุอากาศธาตุช่องว่าในใดกาย วิญญาณ่าจะฟองรูอะไรได้เอาวัตสร้างเป็นรูมันเคยหลกมารูจตัวที่ยิบทุกเนนาทีก็มาถาม ร, รูทุกเวลาทีรูทุกเานี้เานี้จะรูเวลานีจะหนุวิญญาณทาตุจะเลืจะเลขึ้นอาหารอาหารทาตุที่ดินจะใช้อาหาร ลู่เข้าไปก็ได้อาหาังสอวิญาณาแต่ความหลงไม่มีอาหารชาดเช่นนะออนออาภัพร้ายแค่ก็ได้ความหลงเป็นใหญ่เลยควมามลู่มตาสเลวเรียกว่าตายทั้งเป็นห่วงกัน ม, กมักผลนี้อเราจึงมาทำอานหนัอวิญญาณฆ่าทั้งอาหา อาหารขายอ้วนใหญ่เหมือนไก่หงส์ต้นตาชูช่างขายบ่มีค่าอาหารขายไล่ทำหมดราค า, าแต่ในแตอาหารขายไล่ทำขบหมราคาว่าเฉกมาปิจิตอาหารใจคือว่างสมรรูกจิตตัวลูกจิตตัวพอมเอาประมาเพื่อทำมันนี้ลูกเพื่อให้เกิดจานทำมันนี้ มือก yup. ็เล sure. ื ây, ây, mà. Mà ่อนไหวกับลูกมันถึงจมันนักก็กำถึงเจอแ้วนั่กวางมันมาให้วางมาให้เด็กมาให้สอาส่วนนีไม่ใช่กกรรมสองชั่วแการฝึกเอากายเอาใจมาฝึกเอารูปเอาน้ำมาฝึกทันรูปในนาำจะได้มาจากสำเาเกิดมาจากพ่อจากแม่ พอแม่ให้ลูกเป็นนางมาให้มาทำความดีพอแม่อาจจะทำไม่ได้แต่ลูกสาวลูกชายต้องทำได้ไม่ใช่เอามาทำอางอื่นถ้ามันมีลูกในดามันไมนมีมากหรือผลมาต่อยอดม า, มามาหลวงเอาดีเลยมาหลวงให้เป็นลูกต่อยอดไมามาทุกข์ให้เป็นลูกต่อยอดมามาโผให้เป็นลูกต่อยอดไป เราต่อยอดชีวิตใหม่ยอดมากยอดผลออกมาเยอะนึงเกี่ยวกับการอาชีวอนโรวันนี้นี่ตามนักวิจัยหตนักวิจัการเลื่อนหน้านู้นเถิดตายล้เกินนี่นู้นเดี๋ยวนี้นี่เฉยๆนี่ ว่าเป็นนิสัยไม่มีนิสัยที่จะชอบรู้เด่นปัจจัยที่กายทำอยู่นี่นิสัยปัจจัยทำอยู่นี้งัดอยู่นี้เราเอามาจัดแต่งใส่ไว้ทั่วเออจักรกฐาทำจำนะจำแม่จับกรรมมุนาวัตติโลกโกกรมเป็นสิ่งจำแม่ศักดิ์ทำดีกติแล้วโลก ต้งมีกรรมเป็นของของตัวเราเจอกําดีจะได้ดีทางชั่วจะได้ชั่วเราจะต้องรับผ้าจากของรักของชอเจากทางนั้นอาการกาวาจะหลุดอีทีเราจะต้องทาให้ดีขึ้นไปกว่านี้มีอยู่อีกไม่ใช่แคนเท่านี้แต่นี้เรามนเทศ ก, กาลกาละวาดนะวิญญาณอาการดําเนินของเราต้องทํากายสีด า, านั้นเาวมาทํากรรมดี อราไม่แล่ไม่แข่าได้สำ็ลอามาทำกันดีอยาเช่เราฟื้นจักรวจักรม่จีนความพยายามเพื่อาวนาเพื่อภาวนาส่ที่เรียวพทเพื่อมบัดทุกข์กันอามเกิดกันได้หรือภาพเป็นตามดเพื่อผมบัดความอยู่ ่อภาวนากอมีชีวิตประํามดีจตรงที่ให้อาหารก็ระิวาตถชีวิตกอให้เกิดคน ท, ำ ท, ำทำําความดีได้ชีวิตมาก็ทําสวามดีผลให้ก็มีพูนคนที่ได้รับวก็มีพูนต้องสองฝ่ายเรามาทําชั่วผนให้ก็ไม่ก็ะดาในสมองเข้าไปให้โจรก็าล่าชน ตัล่ามแต่ฆ่าคนแต่รักแต่ค้นแต่ดีตอนนี้เขาให้อาหารให้พระจีนให้พระมาพ ท, ทาความดีให้เกิดขึ้นกับตนแล้วไปบอกคนอื่นไปช่วยคนอื่นเมื่อห้านี้วิตนี้วไปช่วยเป็นได้ช่วยได้เมืห้านี้วิตนี้สร้างโลกได้สร้างโลกได้เมื่อห้านิ้วจินิ้ําำลายโลกได้ เนี่ยเราจะมีรูปทำนามทำเราจะไม่ทำแบบนี้เราจะทำแบบนี้รูปของเรามีสติทำแบบนี้มีสติไมท่ทนผู้เป็ยังไงบ้ยอฮล่าฮ <c oughs> ่าฮ่า <c> ฮ <oughs> <c oughs> ่า <c oughs> อะไร <c oughs> ะไร <c oughs> อบ <c oughs>